พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่29พฤษภาคม2555มีชื่อเรื่องว่าความเป็นมาของวัดป่าบ้านตาดวันพุ่งนี้เป็นวันที่30 ทางวัดป่าวัดตาดจะเปิดทำบุญเปิดโลกธาตก่อนที่บ้านตาดจะเป็นวัดป่าบ้านตาดเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อนี่รู้นะก่อนที่ท่านจะออกมาจากบ้านห้วยทรายท่านก็เอาคุณแม่ชีแก้วนำคุณแม่ชีแก้วท่านไปอบรมทางนู้นแล้วท่านว่าคุณแม่ชีแก้วก็เป็นผู้มีหลักจิตใจที่มั่นคง ถ้าท่านจะมาสอนโยมบรรดาของท่านเองท่านก็ไม่รู้จะสอนยังไงผู้หญิงท่านก็ไม่รู้จะเอาไปยังไงแต่ในใจของท่านก็จะจะโปรดโยมบรรดาของท่านเพราะลูกทุกคนก็ใหญ่หมดแล้วก็น่าจะเข้ามาหาสู่ศีลธรรมท่านก็ไม่รู้จะจะัดแนวทางอย่างไรจึงจะเป็นไปได้ท่านก็ได้โปรดคุณแม่ชีแก้วเป็น เป็นผู้มีหลักจิตใจจากนั้นท่านก็นำคณะชีจากห้วยทรายถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดว่ามีสามคนนะคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชีน้อมคุณแม่บุญสามแม่ชีจากนั้นท่านก็มีพระมาะด้วยมีหลวงปูล่ลีหลวงปู่เพ่งหลวงปู่เพียนหลวงปู่สิงทองหลายองค์เขานั้นหกเจ็ดองค์มั้งออกมาจากบ้านห้วยทรายแต่หลวงปู่ลีท่านไม่ให้ตามมาตามมาที่หลังนะ ท่านให้อยู่ท่านออกมาแบบปุปปับเลยออกมาจากน้วยทรายแล้วก็เอาพกแม่ชีมาด้วยพอมาถึงแล้วก็ท่านก็มาพักอยู่ที่บ้านตาแต่ตรงไหนหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามคงจะเป็นตรงที่สถานีวิทยุกำมัง่งจากนั้นท่านก็ได้ให้คุณแม่ชีแก้วเกียกอมอพูดง่ายๆเกียกอมชักนําเทศให้ฟังจนคุณโยมมารดาของหลวงตายอมรับ พยมมนานได้หลวงตายอมรับเสร็จแล้วก็พาโยมมารดาของท่านลงไปที่จันทบุรีใช่วัดสถานีทดลองก็ไปจําพรรษาอยู่ที่นู่นแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ถามว่าท่านบวชที่บ้านตากซะก่อนจึงไปหรือไปบวชที่วัดสถานีทดลองหลวงพ่อก็ยังอือจุดนี้ไม่ได้ถามจากทัานท่านก็ไปจําพรรษาที่สถานีทดลอง ปีสนะองพนสีรอยเาะพจำพรรษาเสร็จแล้วโยมมนดาคิดถึงบ้านเลยพราะท่านไม่เคยไปหนีจากบ้านถ้าหากว่าหลวงตาไม่พากลับโยมมันดาก็จะกลับเองลนะักษณะอย่างนั้นเพราะอาหารการบริโภคก็ไม่เหมือนทางยิสานไม่เคยกินข้าวเจ้าไม่เคยกินข้าวสวยไม่เคยทานข้าวสวยเคยทานแต่ข้าวเหนียวอาหาร คนละอย่างกันนะเมื่อไปอยู่ทางน้นก็นมีแต่ผัดๆัดมันมันทอดทอดนะโยมบรรดาก็ไม่สะดวกนะอยากจะกลับจากนั้นก็ต้งตาก็ทำยังไงได้เมื่ อ, อโยมแม่กลับบวชแล้วนะก็ต้องโยมแม่อยากจะกลับก็ต้องพาแม่กลับพนะอแม่กลับมาก็ได้สร้างวัดป่าบ้านตายนะปลายปี2498แล้วก็ปี2499สร้างวัดป่าบ้านตาก ด้วยโยมบรรดาของท่านเป็นหลักจนะากนั้นคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชีน้อมคุณแม่ชีบุญก็อยู่เป็นชีกับโยมบรรดาของท่านนะจากนั้นก็มีครูบ า, าอาจารย์อยู่ตรงปู่จิงทองอยู่ไม่ได้พออยู่เข้าไปรู้สึกว่าท่านไม่ถูกกับดินฟ้าอากาศวัดป่าบ้านตาดนะพอจู่เข้าไปเนะปากของท่านเนะ่ยเป็นแผลปากดําเข้าไปเลยแผล หลวงปู่จิงทองได้ออกไปอยู่ที่อื่นจากนั้นก็หลวงปู่เพียนกงไม่ได้อยู่ออกไปหลวงปู่เพ่งก็ออกไปหลวงปู่ลีเนี่ยเข้าๆออกๆแต่หลวงปู่บุญมีเนี่ยอยู่ประจำนะพอมาท่านก็หลวงปู่บุญมีอยู่ประจํำแต่หลวงตาบ้านตาดเรียกหลวงปู่บุญมีเลยว่าใหญ่ใหญ่ฮะใหญ่ๆหญ่เคือผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันให้ายาว่าหลวงตาไม่อยู่กัหลวงปู่บุญมีเนี่ยเป็นผู้ ดูแลพวกน้องๆพวกพระดูแลพวกในวัดอันนี้วัาใหญ่ๆผู้ใหญ่บ้านนี่แหละจากนั้นคุณแม่ชีแก้วก็อยู่กับหลวงตามาสร้างบ้านตดาสิบเจนสองพันห้ารดห้าเก้าคุณแม่ก็ออกจากบ้านตาดกับห้วยทรายมาอยู่บ้านตาัดเป็นเวลาสิบปี สิบปีจากนั้นท่านกลับไปหลวงพ่อเองก็อยู่ห้วยทรายกับหลวงปู่จามในช่วงนั้นแต่โยมบรรดาจากไปแล้วท่านก็เลยสร้างทํากุฏิทํากุฏิให้คุณแม่หลวงพ่อเองเนี่ยทำกุฏิคุณแม่คงจะมีตังอยู่บ้างก็ไปซื้อบ้านเก่าเขาก็ลือจากบ้านเก่ามาหลวงพ่อกับหลวงปู่จามไปทํากุฏิที่พักให้คุณแม่ที่บ้านห้วยทราย ทำกับแบบโครโกโนะตีมโลกปกเป็เพราะคุณแม่ไปแล้วไม่มีที่พักเลยทำแบบง่ายๆแบบกุฏิกรรมฐานนะเอาไม้มากับปูปูตีดีไปมุงหลังคานะอย่างนั้นหลวงพ่อก็ได้ทำให้คุณแม่นะจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปจำพรรษาจวด ด, ดอยแม่ปัง 2,510 คุณแม่ก็อยู่ที่ห้วยทราย 2,511 กลับลงมาจมําบรรษา 2,512 คุณแม่กลับมากราบอง์หลวงตามาเยี่ยมหลวงตามาเยี่ยมโยมบรรดากลับมาที่เก่านะพอกลับมา <c oughs> คุณแม่ท่านยังมากราบหลวงตาแล้วคุณแม่ยังฝากหลวงพ่ออยู่นะพอหลวงพ่อพอจังพร512ออกพรรษาแล้วประมาณมกราคมพา หลวงพ่อก็ลาหลวงปู่จามหลวงอาเห็นว่ามีเนนมีพระอยู่กับท่านสองสามองค์หลวงพ่อก็เลยลาท่านออกมาหาวิเวศเพราะพระเราคิดว่าเป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่ในบ้านมันมีแต่เรื่องสัญญาอารมณ์พอเราไปภาวนาอยู่ที่วัดดอยดแม่ปังรู้สึกในรับความสงบทางด้านจิตใจดีมากเพราะนั้นเราก็มาอยู่บ้านรู้สึกมันเข้าอิรอบเก่า ใครว่าเรื่องราวคนนั้นมาพูดคนนี้มาพูดอยาติโกโหติการวลแลแ้วจะได้คิดกับเขาในยุคช่วงนั้นก็เป็นยุคท่วงที่คอมมอนิสต์เข้ามาอีกต่างหากชุมชนชาวบ้านก็รู้สึกว่าไม่ผาสุกปั่นป่นปวนกันพอสมควรมีฆ่ากันเ <c oughs> กือบจะไม่เว้นแต่ละวันในละแวกนั้นไม่รู้ใครฆ่าใครเราโอ้ไม่สบายใจก็นเลยออกมา มาเขามาพบครูบาอาจารย์หลายๆองค์แต่คุณแม่ท่านมาบ้านตาดท่านบอกว่ามีครูบาลูกจะเข้ามาเดินมาทางแถบนี่แหละถ้าาว่าเขาเข้ามาแล้วก็ขอให้รับเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกเป็นหลานโดยเด้อท่านอาจารย์เด้อคุณแม่ฝากอันนี้หลวงพ่อไม่รู้หรอกหลวงพ่อหลายปีหลวงพ่ออยู่บ้านตาดแล้ว หลวงพ่อกลับไปเยี่ยมคุณแม่่คุณแม่ชี้แก้วท่านก็เลยเล่าให้ฟังแม่ไปกราบท่านอาจารย์ท่านอาจารยฝากฝังไว้อยู่นะอืออันนี้ก็คือหลวงพ่อไม่รู้แต่คุณแม่รู้คุณแม่พูดให้หลวงพ่อฟังนี่แหละความเป็นมาของวัดป่าบ้านตาดเป็นมาอย่างไรพวกเราควรจะคิดได้แล้ ว, ว่าเพราะโยมมารดาของท่านเป็นต้นเหตุ จึงมีวัดป่าบ้านตาดเพราะนั้นวันที่30ิคือวันมรณะภาพของโยมบรนดาพวกเราควรจะให้ความสำคัญเพราะกําเนิดเกิดวัดป่าบ้านตาดก็คือโยมบรนดาของท่านท่านก็ทำมาทุกปีก็ถึงวันนี้พวกเราลูกหลานก็ควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนหรือต่อวัดวาศาสนาเพราะวัดป่าบ้านตาดขงตา ศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องกับมากายผู้ลมหายตายจากไปก็มาก่างเหมือนกันพวกเราอยู่ในสถานะนั้นก็ทาบุญอุทิศส่วนกุศลถึงมันไปชนและผู้มีอุปกระคุณนี่แหละอันนี้ก็คือการทาบุญที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะวันที่สามสิบพฤษภาห้าห้า จะให้หลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อคงไม่เข้าไปตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่หลวงพ่อออกมาที่นี่เข้าไปอยู่แรกๆฤโยมบรรดามรณนะผาหลวงพ่อก็เข้าไปหรือว่างานกระถิ่ใหม่ๆหลวงพ่อก็เข้าไปพอต่อมาหลวงตาท่านก็ดุพระอีกเียเข้ามาทําไมมากมายมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจากนั้นมาเราเห็นแล้วก็เราก็อือใช่ไม่เห็นที่จําเป็นและสำคัญเข้าไปก็เพียงแต่ไปเสนอ เสนอตัวเองท่านเองจากนั้นมาหลวงพ่อก็เลยเวลาจะเป็นงานวันเกิดของท่านก็ตามเปิดโล ก, กาธาตุก็ตามหรือ ง, งานกระถินก็ตามหรืองานอะไรที่บัณฑิตหลวงพ่อจะเข้าไปทำบุญก่อนนะเอาปัจจัยในวัดของเราที่เกิดในวัดของเราเข้าไปถวายท่านก่อนวันสองวันก่อนถวายเสร็จแล้วเราก็ออกมาถือว่าเราบูชาพระคุณองค์หลวงตาถึงเราจะไม่ได้เข้าไปในวันนั้น เราก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรที่จะไปรับจตุปัจจัยจากหลวงตาเรามีแต่ไปทำบุญกับองค์หลวงตาให้หลวงตาทำบุญให้หลวงตาสงเคราะห์คนอื่นต่อไปเราเข้าไปร่วมทำบุญกับท่านแล้วก็ออกมาอันนี้หลวงพ่อทำอย่างนั้นไม่ว่าเรื่องต่างๆหลวงพ่อเข้าไปแล้วก็เอามีอะไรประจำหลายเดือนหลวงพ่อก็เข้าไปถวาย บางที่ชื่อเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แท้แต่แต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ทำอะไรมีแต่ให้หลวงตาเป็นผู้ทํำในยุคสมัยนั้นพอหลวงตาฝึกมีชื่อเสียงโด่งดังพวกเราก็โด่งดังไปด้วยเหมือนกันนะถ้าหลวงตาไม่โด่งดังพวกเราจะดังได้ยังไงฮเราต้องเชิดชูบูชาพ่อไว้ก่อนนี่หลวงพ่อคิดอย่างนั้น่ะในช่วงที่หลวงตาต้องการทองคําเข้าคลังหลวง่ะ วัดของเรางดในการก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวงเลยไม่มีการก่อสร้างเงินกระถิ่นเงินผ้าป่าเงินจะตุปัจจัยได้มาจากนั้นกันเรียกอยากพี่น้องประชาชนศรัทธายาดโยมที่อยู่ใกล้ชิดและรมกันซื้อทองคําเข้าคลังหลวงเนี่ยบางครั้งหนี่ยเห็นเห็นในรูปไหมบางทีถึงสามสิบหกกิโลก็มีเราเป็นผ้าป่าในกลุ่มของเราเข้าถวายองค์หลวงตารวมแล้ว ทองคำออกจากวัดเราเนี่ยภคณาสิทธิ์หรือว่าศรัทธาญาติโยมขจิตินผ้าป่าของวัดเราเนี่ยรวมแลยร้อยหกร้อยร้อยแปดกิโลนะที่เข้าถวายหลวงตานี่แหละถ้าว่าเราไม่ทุ่มเทได้ยังไงเราต้องทุ่มเทถวายหลวงตามากถึงขนาดนั้นแ่ะทองคําเข้าคลังหลวงจากวัดของเราเนี่ยจากนั้นก็เมื่อหลวงตาปิดโครงการสองพันห้าร้อยสี่สิบหกที่สวนอัมพร จากท่านท่านก็บอกว่าตอนนี้ไปคงจะนม้มไหลซับไหลซึมจากนั้นเราก็ค่อยอ่อนลงเลยหยุดเก็หยบจะว่าหยุดให้ถวายท่านกับมีคนมาถวายบ้างเรือว่าถวายเป็นครั้งคราวถวายองค์หลวงตาอันนี้ก็คือการถวายจะตุปัจหจรือว่าถวายในแนวความคิดขององค์หลวงตาแต่ได้มาพูดถึงเรื่องเมื่อวานหลวงพ่อเข้าไปไประชุมอยู่ที่สาลากลางจังหวัดน้อวน วันที่28พฤษภาคม55มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็มีเจ้าคณะภาค8และก็มี6จังหวัดเจ้าคณะจังหวัด6จังหวัดและก็มีผู้ว่าราชการ6จังหวัดส่งตัวแทนมาเรามาไปชุมกันอยู่ที่สลากลางจังหวัดอุดรเพื่อจะจัดงานผ้าป่าสามัคคีถวายองค์สมเด็จพระสังฆราชท่านอายุร้อยปีเพื่อจะหาทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลกาญจนะบุรีเกิดโรงพยาบาลกาญจนะบุรีการญจนะบุรีเนี่ยเป็นบ้านเกิดของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นท่านก็ไปสร้างโรงพยาบาลใหญ่ไว้ที่นั่นแต่พอสร้างเสร็จแล้วยังขาดเครื่องมือแพทย์ดังนั้นฝ่ายคณะสงฆ์รรมยุทธ์เนี่ยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพรวรรัตที่อยู่วัดบวรท่านกปารบกับส่วนราชการและเจ้าคณะ ต่างๆที่ทอดผ้าป่าเพื่อถวายเจ้าพักุลสมเด็จจากนั้นก็จะซื้อเครื่องมือแพทย์เข้าโรงพยาบาลในต้องการประมาณสองร้อยล้านาแต่เมื่อวานเขาไปชุมกันแต่ละอําเภอหารกันออกมาตั้งเป้าสิบล้านหอําเภอมันมีอยู่ทั้งหมดมันเจ็มันร้อยเจ็ดิบ้าอำเภอเลยเหรอเจ็ด้าอำเภอทุพกพ่อจะจไม่แม่นตัวนี้ สรุปล้วก็คืออำเภอละเท่าไหร่กี่หมื่นเฉลี่ยกันถ้านเฉลี่ยกันได้อย่างนั้นหลวงพ่อก็ว่าไม่หนักหรอกแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าจะเลยก็ไม่รู้จะมีเป้าเท่าไหร่ตามมีตามเกิดโภนิษฐุก็เลยช่วยรวยแหลมไปถ้าเราตั้งเป้าไว้อย่างนี้ผู้ที่ต่างวัดก็ดีชัฏทายาติโยงบุรีก็จะได้รวมกันเพื่อให้มันถึงเป้าจุดหมายปลายทาง อันนี้ก็คือไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดถึงจะยกเจ้าปกุลสําเร็จพระสังฆราชท่านกมม็มาได้ใช้อยู่แล้วผู้ที่จะได้ใช้ก็คือพี่น้องลูกหลานคนในชาติถ้าเผื่อเราไปกาญจนบุรีไปเจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็จ้องจะเข้าโรงพยาบาลท่านก็ไ ม, ม่ได้เลือกว่าคนจังหวัดไหนนี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนในชาติไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใด หลวงพ่อไปประชุมเมื่อวานจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดป่าบ้านตาดวันที่สิบห้ากรกฎาคมพุทธศักราช2555ั 2005. เวลาบ่ายโมงทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็คือเจ้าพกุลจอมเดจพวันรัตน์ผู้รักษาการเจ้าอาวาณวัดบวรแล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองก็คือทุนกระหมอมหญิงจุราพวารวรรยักษ์ มาเป็นประธานอันนี้ก็คือจะมีการทอดผ้าป่าวันนั้นที่ประชุมกันจากนั้นก็คงจะแจ้งข่าวต่อไปเรื่อยๆนะเพราะกลับมากับค่ำเมื่อวานะแล้วก็ที่วาจะไปเยี่ยมโยมที่มรณะภาพที่เป็นลูกสิตลูกหาหลงตาเป็นผู้หญิงโยมผู้หญิงไปก็ไม่มีใครอยู่ที่วัดบดวัดโพมองหาใครไม่เห็นหลวงพ่อก็ได้กลับมาไม่มีใครเฝ้า คงเป็นมีใครเฝ้าตายแล้วจะทํำยังไงก็จะว่าอย่างนั้นตายแล้วจะเฝ้าทําไมตอนเย็นหนงค่อยมาสวดอภิธรรมแล้วก็กลางวันเขาไม่รู้จะเฝ้าทําไมก็อยู่ในหีบในโลงอยู่แล้วเขาคงจะว่าอย่างนั้นหลวงพ่อไปไม่เห็นใครหลวงพ่อก็เลยออกมาเมื่อวานกลับมาถึงวัดกระคาพอคำคำพอดีเมื่อวานเรารับพรเราโน้มนาให้พร